ธานกนาฏาชีนกฏาสัรนาฏาอธินาฏาเมธมกถาเราเทียไปกระทั่งปีกระทั่งชาติก็ให้มันอยู่ในกลุ่มนี้ที่นี่ก็สินสมาธิปัญญาเป็นตน้นเป็นต้นเป็นต้นต่อกัน เทพกันตั้งตลอดชีวิตให้มันนี้ไปจากนี้แต่พูดมากกว่ามากให้มันมารู้จักกันนี้อย่าเอาทีนั่นนัที่นี่มาสับสนนะลองดูไปไดเ้เออเอเอเป็นนั้นน<พพ rag ged>ะอืออ่ะขับรถปีละกับโคโค่ขับโคโค่ะ แยกออกไปหลายอย่างเนาะเป็นโยมเมืองไทยแล้วนี่เป็นโยมเมืองไทยแล้วนี่ใส่ผ้าถุงละเป็นโยมเมืองไทย มาเทาวนี่รู้สึกว่ามันด้านหนึ่งเลน่้านเรื่องคืออย่างครับม่วนสนุกเปิดบ้านภาษาไทยนี่มันมากเกินไปเนาะน่านเรื่องสนุก ชื่นใจเบื่อบ้านอะไรต่างนั้นลาืมไม่ทุกภาษาเราเนี่ยมวลมวลใครต่องอบรมนักเทศอรัญญโปจิตเิสโรอนันโทวิรัตโมสุติโต ทุกคนไปคิดไปในใ น, ในทางเดียวกันคนหนึ่งไปสอนสิงคโร็จสอนทีเบร์นปุูนมา <c oughs> คือคื อ, ค, อคนคนที่นี่มันมันสับสนมากอยู่แล้วเข้าใจไหมเราต้องมองดูคนมันสับสนอีกแรกมันก็เอาเราอันนี้บักอันนี้บักมันยิงบุญเงินมาเออเปันบักบ่ อันนั้นเอาไวก่อนยังจะไปบอกเขาทิ้งนะเขาทำมา ท, งทิงทิ้งอย่าไปว่ายอย่างนั้ น, นเอาอันนั้นเอาไว้ก่อนอันนี้ทํานี่ดูก่อนทำมนเดียวก่อนอย่าไปพูดอย่างไงคนแก่ทําสวนนะเฮ้แตงบึ้งอันนั้นเขาเดีวะในพูดดีอยู่แต่เขาพูดว่าไม่ไม่เป็นพูดไม่ฉลาด ถ้าผมพูดก็ไม่เป็นไรพูดคำเดียวกันเ่อผมพูดเขาดีใจคนแก่ผมหยุดนไม่เอากระทบกระทบดีแกพูดดีอยู่แก่าพูดไม่เป็นพูดไม่ฉลาดใมยังมถกเป็นอย่างนั้นครับเ <c oughs> ขาพูดถู ก, ถก ตามันไม่พูดไม่เก่งยอมไม่ไม่อยากรับนั่นเลยไม่รัไม่มีอุบายการพูดไม่มีเทคนิคู้ไม่มีเทคนิคในการพูดเทคนิคในการพูดคือการก่อสร้างผมจะทําได้แต่ผมไม่มีเทคนิคในการทํา ไม่สวยไม่ดีไม่เทา่านะอย่างนั้น <S <S ผมก็พูดได้ใครก็พูดได้แต่พูดต้องมีเทคนิคต้องมีเทคนิคนู่จัดนะพูดคำเดียวกันก็เกิดประโยชน์บางทีคนพูดคำเดียวกันกเกิดโทษเลยกนาดอย่างที่เขาฝึกไดหลายอย่างแล้วก็ นี่ของฉันดีนะอย่าพึงว่าของฉันดีของเธอนั้นไม่ดีอย่าอย่าไปว่าอย่าไปว่าไม่ได้อ ม, มันสับสนอยู่แล้วะมันสับสนอยู่หลายหัวเขามันสับสนอยู่แล้วหลายอย่างอะไรเนี่ยพวอเคยพูดอย่างนัง้นเคพูดอย่างคนอย่างนีง้ไปกันไปก็จะเป็นประสาทเท่นั้น ว่าอ่าข้องคุณก็อย่าเพิ่งทิ้งมันเถอะเอาไว้นีนก่อนบัดนี้มาทําอันนี้เราต้องคน้นพยายามสอนทางเดียวกันเช็นสอนอนาปานสตินีนะก็อสอนอนาปาสติอย่างเดียวกันพิจารณาร่างกายกําพูดตรงให้ใจทําจิตเป็นธรรมนอย่างเดียวกัน่นส <c oughs> <c oughs> ุเมโตะไปเทศก่อนไปเน้นทำนองเดียวกันไอ้คนทํานองเดียวกันก็ต้องเดียวกั น, น, กนคนนะึงนจะมาวกที่เดียว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 บ้านหลังจะไปพบกันอยู่ที่ป ร, ปรมัตถธรร ม, มเห็นไหมพูดคำเดียวเท่านี้พอแล้วมัจฉาดพูดคนฉลาดพูดเราจะไปเรียนรู้อะไรต่างๆก็ช่างนันเถอะ้าไม่มีปรมัตรธรรมเมื่อไม่มีธรรมกันในใจไม่ได้พบกันนะ <c oughs> เช่นว่าซุเมโตสอนผมอย่างนี้ เน่ผมก็อเอาอันนี้ไปปฏิบัติที่ที่ซุมิทโทสอนผมอย่างนี้ออผมรู้ออแต่รู้ยังไม่ถึงที่มันจะต้อง เ, เอาไปปฏิบัติแล้วก็เมื่อปฏิบัติผลเกิดจากกันปฏิบัติแล้วมันเป็นอย่างนั้นเราจึงแต่งิสุมิทโทอยู่ตรงนั้นออตรงนั้นเป็นสุมิทโท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 <c oughs> คือมันไม่เห็นที่ผมฝากเขานั่นลูกแอปเปิลลูกนีน้เรามองด้วยสายตาเราเราเห็นลูกแอปเปิลเนี่ยเนื้อแอปเปิลตัวแอปเปิลเท่านั้นวีสัยเราจะต้องเห็นวี่สายเราที่จะฟังดูขนาดนี้แต่รถแอปเปิลเน่นเรามองดูไม่รู้จักแต่มันมีอยู่ใ น, น้น่น มันจะรู้จักเมื่อไรมันจะรู้จักเมื่อเราเอาแอปเปิ้ลมาทานก็ไปจะรู้จักว่ารสแอปเปิ้ลมีอยู่ธรรมะที่เราสอนไปก็เหมืนอนลูกแอปเปิ้ลแต่เขายังไม่รู้จักแอปเปิ้ลอย่างแท้จริงเมื่อเขาเอาไปปฏิบัติมันรู้จักรสของแอปเปิ้ลเกิดขึ้นมาโอ้ิลูกแอปเปิ้ลไม่สามารถจะมองเห็นหน่วยตาอย่างนี้ฟังธรรม มันสามารถที่จะมองได้ยินโดยหูแล้วเห็นโดยตาไม่ได้รู้อยู่แต่มันยังไม่ถึงมาเอาไปปฏิบัติี่ปัญญามันเกิดเห็นเช่นนั้นขึ้นมาอีนี้ก็อจึงจะรู้จักเออประมัตตาธรรมจรึงจะยินพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นอันนี้มันเป็นธรรมลึกซึ้งพอมืเกลียตัวแอปเปิ้ล e เนี่ขาฟังมักอ้ฝากไอ ประคิดประคิดตรงนี้ก็โคตรดีเหมือนกันบันนันไปพระขับไปวัดสับพระไปที่ไหมม้หมด่ะี่ับกตับบาทหมดเนะี่ยสิบหมดโคตรแอปเปลิลไอิบจะจะรัวฟังให้หน่อยเดี๋ยว <c oughs> จะไ่คุยกันนะต่อไปไมไคุยกันนะ อันนี้ก็ไปอีกอย่างหนึ่งเว้ยพอเคยจังนะดีเค็มเ <c oughs> ข็มเ ข, <c oughs> ข็ม ก, ด ก, ดมกด็ดีวานก็ดีเรียบก็ดีดีมา พูดกันจะดีทุกคนเดี๋ยวจะไม่มีเวลาพูดกันนะสุนีโทรก็จะหมดสิ่งที่จะพูดนะมั้งเบรดอธิบาย คืเบือ่อที่เบื่อไม่ได้ครับพร้อมกลอรตัดอาจารย์ใหญ่เบื่อไม่ได้ต้องไปเบือ่อยางอื่นจริง <c oughs> อ่ะฮะอยู่ได้ก่อนมันจังไปถูกก่อนทพาถ้ามันยังมีเบื่อมันไม่ได้้เบื่อบางครั้งนี่บางครั้งก็ พอย่างง่ายบ่บางครัง้งประพูดไม่ออกบ่ทำงานไม่อยากพูดเตี้ยดีในประชุมข้าชาวพนมานี้ก็ดีไม่เห็นไหมจับได้คนแถวนี้ก็ดีอยู่ก็ไม่มีไม่มี ใจหดลายเลยลำบากภาษาคลิปกัไม่รังคิดเท่าไหร่ภาษคลิปเลย ก็จะไม่ปัญหาคนก็ถือพระเจ้ายพระเจ้าเป็นอย่างไรห็นที่ผ่านเป็นอย่างไร ม, มันบางคนก็นถือพระพุทธศาสนาเป็นาทางอหายศูนย์เปล่าไม่มีมทำลายโลกไม่ให้มีโลกเลยนะอย่างนั้น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 มันไม่สูญนี่บ้านหลังนี้จะของอยู่แกเก็บของอยู่เมื่อนู่นนี่ไหมมันไ in, ม่สูญนี่ไหมมันเรือศูญหรือเปล่าเราเอาเก็บกมันไเผาไฟตรนดกอง آن. นี้กองนั้นท้ายวันนี่เขาคอยช่วยมันจะหายใช่ไหมมันจะศูญเปล่ามันทุกไหมนี่มันก็ทุกใช่ไหมคือคนคนไม่รู้เรื่องว่ามันบ้ามันสูญ ไม่รู้จักไม่รู้จักเกิดไม่ส บ, บายใจคือมันไม่มองดูตัวสักแต่วันมันเกิดมาไม่มีใครสอนมองดูตัวเป็นมองทั้งนั้นไม่รู้เรื่องนี่ไม่ให้มันดลงแต่เหมือนก็เป็นอย่างนั้นเ ม, ม, มือนมอนเหนนี่เราถือว่ามันเป็นเราเป็นของเรานะว่าอันนี้ไม่ใช่ของเรา เถียงจนตายนะอย่างนั้นยัน่ะพระคุจยามถึงยาม บางทีมันเบื่อครั้งแรกบางทีนอนกลางคืนมาเนื่องจากเอาตาบาตะภายนีมันจากทุกขิตทุกอานุ่นนึกเรื่องธรรมะเไม่ได้ <c oughs> ถ้าเราม่สอนคนอย่างนี้เราจะไปสอนใคร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 ตัวเราคิดอย่างนี้จะดูสิบไปคนเดียวลอนนี้มันก็หลงแล้วนี่ <laughs> รับวเราดีเด็กเป็นเป็นประเทศข้ปุ้นวัดีครับ เ, เป็นประเทศข้ปขุ้นวันดีครดีแล้วปริเทศกัมพูชานี้ทุกนะ <laughs> เราคนทุกอยู่จนจิหนี้ไปเอาได้จะเอาเอาเงี้ยเอาตามันตามทำเป็นธรรมดาหรืทำเป็นสิ่งแวดล้อม ทำให้เป็นพระปัญเจ ก, ก็ได้เลยเก็ไ ม, ไม่ไม่ได้ไม่เป็นได้เลยทุกวันนี้ก็พวกเราก็เป็นพระปัญเจกมันได้เราเซ็งแหวเราไม่จำเนินไป <c oughs> เราเป็นพระ <c oughs> <c oughs> บางทีมั น, <c oughs> ม, นมันอยู่สถานนี่มันก็ได้บุญบายก่อน <c oughs> ก็พูดกันยังไงในบางทีก็เป็นพระสัพพยุททาเดาแต่อาการบางทีก็เป็นพระปจเจกพูดถึงพระมันพูดถึงเรื่องจิตน่ะไม่ใช่ว่าเกิดมาเป็นพระปจิจนี่ะมันเป็นุบราณติฐานทีเดียวอย่างนั้นคือเป็นพระปจเจกเราไม่สอนเช่ียมันไม่เกิดประโยชน์ถ้ไม่สอนมันไม่มีอะไร แต่ว่าคนที่จะ ส, สอนได้มันก็เกิดเป็นส ป, ป, ปายูพุทธาเป็นมาอีกเนาะสอนเอาอีกได้ยังไงเทียบเทียง<ม>อย่าไปเป็นอะไรเลยเป็นพระพุทธเจ้าก็ลำบากเป็นพระปัจเจกอย่าไปเป็นท่าขึ้นมาเป็นมันลำบากเลยเน่ยอย่าไปเอาเป็นเลย ถ้าฉ um e an oh ันเป็นพระสุเมธโทถ้าฉันเป็นพระอนันโททุกถึงอนันโทก็ไม่มีสุเมธโทก็ไม่มีสุเมธโทมีนี่สมุดเฉยๆเจ็บใจไหมถ้าเป็นจะเป็นทุกข์เลยเพราว่าให้ก ถามีซูเมนโทรซูเมนโทรก็โกรธอันนั้นโทรก็โกรธถ้ามีถ้าเอาเอาอันนันโทรเอาซุเมนโทรนะเป็นภูมิถ้าอันนั้นโทรไม่มีก็ซุเมนโทไม่มีเลยก็ไม่มีใครไม่มีใครรับโทรศัพท์ไงกรีนกรงนเค นีมันเป็นอย่งนตาเราเป็นอยู่โทรศัพท์มันเกิดวิ่งไปวิ่งไปวิป่ง <c oughs> เป็นคนทำบุญเราเป็นทุกข์ทำไมจะไปเป็นทุกข์ทั้งนั้นแล้วจะทำศักดิ์ญิทธิให้เกิดทำที่เฉยทำอย่าให้มีซูมโทอย่าให้มีอนันโทเลยรับโทรศัพท์ ถ้าเราเป็น yeah. ซ er ูบ <c oughs> <c oughs> <ine> ิโทอนันโทเป็นรับโทรศัพท์เป็นซุบ <c oughs> ิโททุกอย่าเป็นซุบิโทอย่าเป็นอนันโทก็เปลนเนี่ยเปนสมุดกันที่จะเป็นอะเนี่ยไปรับเาว่าดีก็เขาว่าดีก็เป็ี่นมันเขาว่าชั่วก็เป็ี่นมันแต่เรารู้รู้เาไม่รู้ก็ไม่เอา คนมันทำไม่ได้มันไม่รู้จักจะทําฟังแล้วมันถึงอะไรตัวอะไรมันมันมันมันผมเคยล่าให้ฟังแต่ก่อนนี่มีข้างล่างมีข้างบนนะเมื่อมันตกลงมาข้างบนมันมันาอยู่ข้างล่างมันดูสูงเร็วอยู่ข้างล่างก็เห็นข้างบนนะเมื่อมันขึ้นจากข้างล่างไปถึงข้างบนมันก็เห็นข้างบนระยะนี้มันไม่เห็น กลางกลางพี่เอกว่าพระนิพพานนี่มันไม่เห็นนี่มันเห็นแต่ตัววัตถุมันเห็นแต่ตัวยึดยึดข้างบนยึดข้างล่างพบชาติพบกับพบพบเมื่อเกิดจะพบไอ้ที่ไม่มีพบบังว่างมันไม่เห็นเราสอนคนนี่มันเห็นที่บางว่างมันว่ามันไม่มีอะไรต้นหนึ่งมันไม่รู้จักนี่มันยากอย่างนั้นนั่นต้องอาศัยกานปฏิบัติเพียงจะ ก็เพราะเรามันอาศัยพบอยู่อาศัยตัวอาศัยตนเมื่วันเกิดมาแล้วไปพูดวไปมันมันมีตัวมีตนมันก็แปลกมันเปลี่ยนเปลี่ยนสัญญาไม่ไะจะต้องทําจิตเนี่ยมันเห็นทำปฏิบัติมันเชื่อโอ้อันนี้ถูกอย่างนั้นแต่ก็อันนี้คล้องฉันของฉั้นก็ก็ดีใจครับแต่ว่าเมื่อของฉันมันหายไปก็ร้องไห้เกินมานักปีมั้งอันนี้เป็นทางที่ทุกเกิดอยู่แล้วแต่ก็มองเห็น ถ้าว่าเราไม่ไม่ใช่ของฉันก็ฉันก็ไม่มีของฉันก็ไม่มีอย่างนี้เราก็ใช้ไปเมื่อเรามีชีวิตอยู่นะไม่อุประหานมันมันหายก็หายแต่เราหายก็หายไม่มีเขามีเราอย่นี่แต่ว่าไม่ใช่คนเป็นบ้านะคนขยันคนตรงนี้รู้จักประโยชน์หลายอย่างแต่ว่าคนพิถ้าเป็นคนอย่างนั้นก็ว่าคนคนเป็นองค์ศาตร์ต้อมองเห็น ซุิโทรมองยินคณะวาดว่าเขาโง่เป็นเด็กน้อยคณะวาดกัมองหินสุมทโทเสียคนแนะอะไรก็ไม่เอาไม่เอากับเขาเราดีกว่านี่หมพูดง่ายๆพระอรหันต์เจ้ากับคนบ้านี่ค่ายกัน นะพิจารณาดูดีคนไปเห็นพระอริยจ้าเขาโดจากว่าบ้าด่า ก, ด า, ก า, ดาก็เชื่อัวเช่บ้าใ่มนแต่ว่าบ้านะ่รู้อยู่นะไอ้บ้าจริงๆน่นมันดา่ามันก็ไม่โด น, นมันไม่รู้ถ้าดูอาการก็พระอรหันต์กับกับคนบ้าเหมือนกัน ตำที่สุดก็เป็นบ้าสูงที่สุดก็เป็นพระละหันแอบต่ <c oughs> ำที่สุดกับสูงที่สุดนี่เหมือนกันเราไปดูจำนักสึกษาแต่ความรู้สึกไกลกันมากฉะนั้นคนไปพบพระระหันกับกับคนบ้าไม่แปลกันตรวดรูไปดี ดูไปก็ดต้อเป็นอย่างนั้นเ mm. ขาโพสให้น่าจะโรดแล้วก็เห็นแล้วปล่อยวา า, าะกบาใช่ไหมฉะนั้<ม> น, น, นสิ่งทั้งหลายนีมันสอนคนอื่นไม่รู้จักหรอกมันต้องเป็นปฏิจจตังจรงจรู้จักนะนะ mm. คนมันเห็นเช่นว่าเขารักสวยรักงามนี่ในเมืองนี้นนนนน ก็าปากทานี่มันรักสวยแลั ง, งาแ้ันนี่ไม่สวยไม่ได้เนี่ยแกไม่พอใจตายไม่เอาอย่างนี้อ่ะแต่คนทงังร้กันใดไหมคือเขายังไม่รู้จัก เราเขายังไม่เชื่อเราเราจะไปโทษเขาเ้าเาอานี้ไปเปลี่ยนกับเขาไปแลกเปลี่ย น, นเขาไม่เอาของเราก็เลยของเราราคาไม่ดีเขาจีบไม่เอาถ้าของเราราคาดีที่สุดนั่นก็เอาเนแะล้วนี่นคนไม่เชื่อเราทําไมเพราะปัญญาเรายังไม่ดีต้องปรปับปรุ ง, งอย่าไปโกรธที่เขาเลย อย่างนี้บาบอกอย่าไปว่าเขานี่มันว่าอยู่นี่เละต้องสอนตัวคนนี้มันดีมันเห็นมามันดีถูกต้องดีขึ้นก็เอาแต่ละคนบางทีไปสอนเขาไปสอนดุสิตบางทีดกสิตเชื่ออาจารย์ก็เสี ย, ยใจมัน <c oughs> ต้องเสี ย, ยใจกังเมื่คนกอดดูเราอีกทำไมต้องเป็นอย่า ง, งนั้น ของเรามีราคาน้อยกว่าเ <c oughs> <c oughs> ขาจิงเอาถ้าเขาเห็นว่าของเรามีของเรามีราคามากเขาก็เอาเท่านั้นถ้ามันอยากรวยในทุกสิ่งต้องคิดอย่างนี้นะเดี๋ยวก็อีกหนย่งตับผูกขึ้น สนุาไมันไม่ด <c oughs> ู Lok ้จัากมุทุกคนนี่เนาะในชุดมีตุกข์พุทกสทธิ์เยอะเี่ยทุกทุกสิบพระพุทธเจ้าของระึงตัมมาทั้งสอนเป็นแนวเดียวกันใจมันต่างแต่ลักศาสนา ไม่สุภาพเสมอกันอย่างนั้นแต่ท่านสอนให้ให้มีความทุกข์ทุกอันเดียวกันยังทำกสรมาทานอันเดียวกัน <c oughs> คนคนคนคนคนชาวอยู่ดวกี้มันมีของมากอยู่แล้ว <c oughs> เอาไปให้มันมากๆอย่งก็ตายแล้วนะหนักมันไม่รู้ประยาอะไร หรือมันไม่มีเวลาจะพูดนะต่อไปนึ่นะเดือนปฏิบัติของพวกเราเขากันยังไงทำยังไงด้วยหมดสงสัยแล้วหมดสงสัยขอขอก็เป็นพระปฏิจจก็ได้ เงนี่ยนะที่โยมสาวชาวสวนนะพูดเน่เาาอยู่ประตูเพืนก็ดินุ๊บปุ๊บไอาทิตย์หรือชาวพชริสครับเนีไม่ชอบฟังเนาะอืมครับใจร้อนครับอธิษตานปริยสูตรตาปิดไปหูปิดไฟ ต่อไปวันหนาต่อไปมันจะเป็นนักเทศน์นะกิตตสรูพระเราจะต้องมันจะเป็นนักเทศน์ต่อไปชอนคนพระนั่งรจะเป็นนักเทศ ต้องเป็นนักเทพระนังไม่มีนะเนอะคือคือเรื่องถ้าเราตั้งใจสอนคนนะนั่นก็สอนเราไปในตัวนะนะใครเห็นด้วยไหมที่ผมว่าถ้าเราสอนคนก็เหมือนเราสอนเราไปในตัว ความฉลาดมีขึ้นความพิจารณามีขึ้นครับเราเราสอนคนวันนี้ใหม่ๆมนัก็สงสยัยรวูวทำไมมันเป็นอย่างงาั้นเราก็เกิดความคิด เกิดความคิดถึงมามันก็ไปเดินเราะห้เราพิจารณาหาเหตุผลสอนเขาเป็นสอนเราเป็นในตัวสอนเขาสอนเราไปด้วยถ้าเรามีมีรมาทานมีสติอยู่อย่าไปเข้าใจว่าสอนเขาอย่างเดียวให้เข้าใจว่าสอนเราด้วยว่าอย่างนั้น ไม่ใช่ เรียนกันแรียนบางค น, นเถอเนี่ยนักอาหาวิชาจะถือว่าตอบไปในอีกสองสามปีโลกนี้ก็จะข อ, ของธรรมชาติเราจะเปลี่ยนแปลงเป็นหลายอย่างจะมีความทุกข์มากคนพวกเราเนี่ยเป็น เป็นมนุษย์เรจะรับความทุกข์ทางทางธรรมชาติน <Yeah. S 1> ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> แต่ก็เห็นว่าถ้าบางคนก็นถือเนยถ้าเราไม่มีสติปัญญาที่จะสู้ได <Yeah. S 1> ้ก็จะเป็นทุกข์มากน <Yeah. S 1> ถ้าเป็นคนที่ <Yeah. S 1> อาศาัยความสะดวกสบายทางกายตลอดงั่นเลยในประเทศนี้คนอาศาัยแต่เครื่องจักรอ า, า้ายความสะดวก สุขสบายทางกายเป็นนั้นมากนยะต่อไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาติมันตัวเปลี่ยนแปลงแผ่นดินกาจะอะไรไหวหรือเป็นอย่างไรก็ไม่รู้เนยะเพราะไม่ได้เป็นยานแล้วนะ่นไปนโวดในคนทุกข์ครับถ้าเราไม่ไมีสติมันกจะเป็นทุกข์มาก ก็พุทธเจ้าถ้าถสอนในปัจจุบันนี้มันต้องการอีกสองสามปีเลยเมืองไทยเข้ามาถามผมบอาอุ้ยนี่ข้อคอมมอนิสต์เข้ามาจะทํ า, ายัายางไงอ่าเขามาที่ไหนคอมมอนิสต์จะเข้ามาอะไรเรือเนี้ยอ่คอมมอนิสต์มันมีแต่เมือเราเกิดมาแล้วอัต <c oughs> ม, มาไปได้คิดมากอย่างนั้นคิดว่าอุปสรรคเนี่มันเกิดมาเกิดมานี้คอมมอนิสต์มันตายแล้ว อย่งนั้นจรงไม่ประมาณอันนี้เราอีกสี่ห้ปีมันจะเกิดอันนั้นอันนี้มันไกลไปนี่อีกสองสามปีเขาว่าเมืองไทยจะเป็นคอมมิวนิสต์อัตมาเห็นว่ามันเป็นแต่เมื่ออัตมาเกิดมาแล้วคอมมิวนิสต์ต่อสู้คอมมิวนิสต์มาจนถึงบัดนี้ยมยังไม่รู้จักหรอกมันจริงนะโหราศาสตร์อีกสองปีสองปียังไงมันเอาอยู่เดี๋ยวนี้ไม่รู้เรื่อง เอพุทธศาสตร์หินใส่ไปเตรียมตัวไว้เรื่องของโรกประจังม really mm ัน hmm. ทีแล so ้วอิสติบีปัญญาเราทําเรื่อวนี้ดีกว่าทำภูมงนี้มันไม่ดีกว่านั่นเดืองเราจะรออีกสามปีสี่ปีแผ่ินมันจะไหวนี่มันไหเดยเนี่ยเห็นไหมนอเมริการยึงไห้หลายเนี่ยคิดอย่างนู้นคิดอย่างนี้วุ่นเนี่ยแผ่นดินนี่มันไหวเลยยังไม่รู้เรื่องจะเบ็ดเผ่นินนี้มันไหวนานมันไหวทีหนึ่ง แผ่นดินเนี่ยมันไหวอยู่ทุกวันทุกนาทีนี่ยังไปไปโทษแผ่นดินนั่นเนีแผ่นดินนันนานๆนนนนมันไหวที่หนึ่งเรกเราเกิดมายังไม่รู้ก็ ม, มีเลยอันนี้มาเกิดครบเกิด ม, มามันล่องอออออมันไห ว, แ, วแผ่นดินยังไม่รู้เรื่องพระพุทธเจ้าเห็นขามาเดี๋ยวนี้อย่างนั้นไม่ถูกเลยทั้งนั้น <c oughs> <c oughs> มันเกิดเพราะเหตุมันก็หลับเพราะเหตุมัน น, นีเราไม่ต้องตามไปโหราศาสตร์ประเสริฐหรอกมันเป็นอย่างอย่างนั้นเรารู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนั<ม>้นใครมาถามผมทุกคนในเจ้าน่ายเมืองไทยนเปน็จะเป็นขมวณิษต์โอ้ยเป็นทุกเหมือนจะทำยังไงเป็นขมวนิษฐ์อาเราเกิดวันจะทำยังไงแตะมาไม่ได้คิดมากกันนั้นคิดว่าเกิดมาวันนั้นขมวณิษฐ์ตามมาเลย แต่วันจะมาเกิดมาเร่นี้เขาบอกไม่มีเรื่องพูดหยุ <S <S <S นี่ใครจะบอกว่าพระมรดิเกิดทีปีหปีพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เตรียมตัวสิเดี๋ยวนี้เกิดมาแล้วพี่พิจนาตันเตะความเกิดมาแล้วนี่เรื่ อ, อยใหญ่ยาประมาทแล้วเรายัางไปดูโหราศาสตร์สปี4ปีนั่นเองโอ้ยนี่ดูเดือด ใกลไปคนนั้นเอาพุทธศาสตร์นี่เดียวนี้เดียวนี้ว่าอดีตมันเป็นวาอย่างนั้นอนาคตมัเป็นทิ้งมันไว้ดูปัจจุบันนี้เหตุมันเกิดในปัจจุบันนี่ดูเหตุมันเท่านี้ไปสอนเนี่ยในคนเป็นทุกข์ถ้าเทียดอย่างผมก็กอบายมันแต่ว่าบ้างมันไหว สมัยก่อนนยสมัยก่อนเนี่ยไอ้ความเคลื่อนไหวเนี่ยมันมีมาด้วยแต่มันมีติด น, น้อยน้อ ย, น, อ ย, น, อยน้อยมันไม่ปรากฏตัว <c oughs> อย่างชุนิโท้เกิดมาครั้งีรกโตเท่านี้ไหมเกิดครั้งแรกโตขนาดนี้ไหม นี่มันเป็นทำไมเนี่ยมันเพราะความเคลื่อนไหวไอ้ความเคลื่อนไหวดีไหมดีถ้าไม่ดีสมเมโอมิโตขนาดนี้ความเคลื่อนไหวของธรรมชาโตมาโตมาโตานี่เราจะเปก็ว่าความเคลื่อนไหวอะไรถ้าเราถ้าเราวควบความเคลื่อนไหวคนเกิดมาไม่โตนี่มันโตมาเพราะความเคลื่อนไหวถ้าเราพิจารณาธรรมะไม่รู้มันจะคิดอย่างไอางอีก <c oughs> อ่ะดีนะอืม <oui> นั่นจะคอยว่าอีกสองปีมันจะเกิดด้านนั้นนะนั้นนะล้วรอจะจะไปทําวันนั้นนั้นไม่ได้เน่ยไปรอการรอเวลาเนี่ทําอย่างนี้ดีกว่าตรงนี้จิตใจประชาชนมันเคลื่อนไหวทุกวันเห็นไหมแผ่นดินนี่ดินน้ำไหวล้ม ดินแดินมันเคลื่อนไหวแต่เขาไม่รู้อย่างมันเป็นดินเคลื่อนไหวไปมองมอ ง, มองดูแต่แผ่นดินน น, น, นั้นข้างนอกมันจะเคลื่อนไหวอันนี้มันเคลื่อน <c oughs> ทุกวันนี้ชาโลกต่อไปนี่นะ <c oughs> คนแต่งงานกันอยู่กันปีชอตปีเข้า่าคนงู แต่งงานกันถ้าเกิดจงเลิกกันไปคีมหน้าอีกอ้มนเคลื่อนไปดืดดด้ อ, อื้ืืยเนีมันเคลื่อนอยู่แต่กินใจของผมมันเคลื่อนอยู่เนี่ยไม่ต้องดูทางพุทธศาสตร์เนาะดูพุทธศาสตร์นี่ก็ครบแล้วถ้าคนนี้เกิดมานี่ต้องพ่อจะไปไหนจะไปที่ไหนนี่เราเกิดมาแล้วมันแก่มันเก็บมันตายเราจะไปที่ไหนนี่ก็อยู่อย่างนี้มันเกิดมาแล้วสู้ไปตัวนี้แก่ คนวันนี้มันเกิดมาจะอยู่ที่ยุคเมืงไทยนี่นะจะอยู่ที่ควันนี้มันจะมีกินข้าวหรือมันกินข้าวแล้วก็กินข้าวไปรว ม, ามาทำอะไรอ่างนันไดเดือมก็จะจบมันควรไม่ไ ด, เเ ด, ไได้เดี๋ยวคนโน้นเป็นหนึ่งเงินเดียวคนนี้ก็จนบุบไมีโทรรูปไหม อีกสองสามปีมันจะไหวอะไรดนีู่้ไหมไม่รู้เหมืนอนกันนี่ไม่รู้เราอย่าไปพูดมันในตรงนั้นเราฟังไว้เท่านั้นเราพูดโดยตรงที่เรารู้จักบอกว่าโยมหมาถึงนั่นหรอกแต่มันเคลื่อนไหวมาแล้วอัตมาเกิดมามันไหวมาเรืยเรืยกนันนี่ทำให้ไหวอัตมาไปโตขนาดนี้หรอก คนเกิดมานะความคิดก็คนเกิดมาคือเกิดล้วมาอยากตายถูกไห ม, มแก้วน้ำขนาดนี้นะเราเอาน้ำมะเทสใสแต่มมาอยากให้มันเต็มเทไปเรื่อย แต่ไม่อยากให้มันเต็บ ม, มันจะได้ไหมนี่คนเกิดมาเหมือนกั น, นเกิดมาเราไม่อยากตายคิดยังนันถูกไหมเอาถามันเป็นเยิงอย่างนั้นนี่เกิดมาทุกคนทุกคนไม่ต้องตายกันยิ่งทุกข์มากกว่านี้มไม่ตายสักค น, นเกิดมาอยู่ในโลกโอ้ยพวกมากินขี้กันหมด มันจะไปตรงไหน่นะเนาะนี่มันก็น่าแก้วนี่เท่านี้เอามาเทียเสีย ไ, ไ, ไม่อยากให้มันเต็มเดนได้ ไ, ดไโลกก็เป็นอย่างนั้ น, นคเราคิดมันถูกส่วนมันเรื่องอย่างนีไม่อยากให้มันตายนะไม่นะ้แต่งม่ไมันจะต้องเป็นอย่างนั้นนะถ้าว่าได้ปารถตานะเรเกิดมามันไม่ตายอย่างนี้นาเป็นมตาธรรม ผูกขับมาคนที่ทจะมาแต่ทำดูจะทำก็แต่ทำไหมครับนั้นไม่ตายอได้อยู่ตรงนั้นนิด้วยปัญญาไม่ตายไม่ตายเลยไม่เกิดแต่ทำ <h> มันไปจงยึดตรงนั้นนี <h> ่คนแต่อยากเกิดมาสนุกก็ไม่อยากตายมัน <h> ไม่ถูกเลยแต่มันก็ต้องคิดอย่างนั้นคนทั้ ยิ่งนั้นคนน่ามันเป็นทุกข์พระมีทุกข์ไม่ใช่พระนี่นะ่ะพระนี่ยังทุกข์อยู่พนระนี่ยังทุกข์อยู่เพื่อไม่ถึงที่สุดของพระมันไม่เป็นอมตะตายเป็นไม่เป็นอมตะธรรม ธรรมะตะตำคือทางมันไม่ตายนั่นมันก็จะไม่ตายตัง้งเกิดมาจากท้องแม่ไม่ตายไม่มีตายต น, น, น, น, นอกจากมารุธธรรมะว่าอันนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเปนา็นนามธตักอันหนึ่งคนจกักผตายเราไม่ตายสังขารมัน เ, นเปลี่ยนแปลงไปอย่างตามธรรมชาติกินได้ยากยนะ คนคิดไม่ได้เนาะต้องเลิอกออกจากรหนยานมันต้องมีโทยังได้ตรงนี้จากบ้านนังใหญ่จะตองนี้จากความเจริญนี่หลายอย่ายนั่นมันั่นเหมืนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านนายกภาษาดานสว่างท่านไม่เป็นพระพุทธจเจ้า บอกตามต้นไม้ในป่าทา่เป็นประิษฐ <laughs> ์ยากถ้าอาศความสนุกสนานอย่นี้อยู่ในห้องพาด้านะวันแล้วมี คนกูช่วเฉยเลยกูว่ามันสนุกมันคือนี่ก็ใช่โถ่ใครเราไม่ฟังเคืองจไม่ได้ยินหลายเป็นเง้นเด å, ียวเลยของมัน <seen> <laughs> ถ้ามันเป็นอย่งโราศาสตร์จะไปอยู่ไหนเนี่ยจะให้คนทําอย่างไรถ้ามันเป็นอย่างนั้นจะให้คนทํำยังไงโหราศาสตร์ที่รู้แล้วจะไปยังไงไม่มีทางผมว่า่ยพระพุทธเจ้าเนี่สอนดีดีจนคนไม่รู้คนดีหลายแต่พติจารณาใความเกิดมานู่น อันนี้โหราศาสตร์ว่า5ปี6ปีไปโน่นพระพุทธเจ้าบอกเมืเ่อเทวันเราเกิดมันจะเป็นท่านรู้ก่อนอันนี้เราไปเห็นโหราศาสตร์แล้ว5ปีเราจะเป็นในกลัวใช่ไหมวพรามไปอกิ้มันเป็นมาแล้วเป็นมาน้นเมื่อเราเกิดมาเมื่ อ, อไรมันเป็นมาแล้วโทษอย่างนี้ก็มีใครเชื่อนูนก็ไม่เห็น เข้าใจไหมอาจารัญโยโปรู้จักภาษาไทยไหม ถายอ ง, ยอ ง, ยองถ้ายงกร้วนใช่ไหมยองดูใจาะว่าถ้าหากว่าเราไปทำผิดกฎหมายใช่อย่างหนึ่งแล้วสมมตินะอีกเจ็ดวันเขาจะเอาไปประหารโยมจะคิดยังไงผมถามคือเป็นคนมีโทษที่เขาจะประหารหเลยนะอีกเจ็ดวันเขาจะประหารหจะทํา อันนี้เราไปคิดดูที่พวปยอดมาอีกเราทุกวันนี้ก็เป็นคนถูกประหารอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าอีกกี่วันบางทีไม่ถึงเกณวันก็ได้คุณรู้จักไหมว่าคนมีโทษถึงตายเขาจะต้องประหาร น, นไม่รู้เชราะเฉย ถ้าไปทำผิดกฎหมายาในในวันมันเขาเอาจะไปประหารเจ็ดวันนีโอ้ยเสียใจหลายนี่มรณะสติคือความตายจะประหารคนอีกอีกวันสองวันเท่านั้นคุณไม่รู้จักท่านเคท่านคุณเป็นอยู่สบายนี่ให้คนคิดอย่างนั้นมันจะไม่มีศรัทธาในการปฏิบัติธรรมะฉะนั้นท่านจึงให้นึกถึงมรณะสติความตายเสมอ ในนึกถึงความตายกลัวมันอยากจะขึ้นอีกแล้วทำไมมันจะมีโม้เ n ยจี๊ The question to ask somebody what they do w t h t h e y f son, and if they move on to be killed i n d w e e k executed. Executed. But we are all part of the same h o m a n race. ถ้าเรารู้ตัวปีญามา น, นัตสติปปตาตายมันก็ดิ้นทาเพียนเข้าไปเหมือนคนตายง mm hmm. ั้นทํามเฉยอยู่กัคนไม่รู้จัก mm hmm. ถ้าคนทาผิดกฎหมายอีกเก็ดวันเขาจะไปประหารจะนอนอะไรอะไรต้องรีห า, าทีไปทีแกไขเปรี่ยวเพราะฟัง <laughs> นั่นี่ไปนแก้ไขตัวอะไรเพลินเมอร่อนีเื่อ ม, มากเลยพูดว่าคุณมีโทษอย่างนั้นนยิ่งชอบใจใช่ไหมทำไมมันจะไม่ไกลจากพระธรรมเราเขาพูดเิองค์ธรรมว่าพิยนามนัสสติเจริญมานัสิคือบวตายเจริญทำไมสบายใจไม่ไห ขอคศาลโดนกรให้กงรมดีกว่า รู้ไหมนะครับรู้เ พ, พระเขาใจไส่ครั บ, รบพราะเป็นกลาง ร, รู้พลังลางรู้ไม่ชัดครับรู้ก็จำปชัดตรง สุกิตโตอยู่นครถาวรก็ทำกรรมฐานว่าทำกรรมฐานนะกรรมฐานมาลูกนอกคูณมโลกรรมฐานมาอาัสายต ย <jeszcze S 2> ุบน้องพ้องน้องก็ถูกนองหายใจก็ถูกทั้งนี้พองเองหายใจออกมียุบเอิดหายใจเข้าก็พองเองันรารู้ตรงนี้ยุบนอพองนองหารู้ตรงนี้รารู้อนาตเสียีระรู้ตรงนี้ใจออกไปมียุบ หายใจเข้ามันก็พองประเมินกันไม่ต้องสงสัยมันถูกจิดอะไรแล้วก็เอาจถอะเราพองมันถูกจินมันส่งเอาเราจะดูนี่มันยุบเยงมันหายใจเข้ามันก็พองลมออกมันยุบเราจะดูตรงนี้ก็ได้หายใจออกใจข้าวเราอย่าดูตรงนี้ก็ได้ ตรงไหนมันถูกเจดิตของรามันตามควบมสนุกแล้วเอาเอายุบหนององหนอกันได้เอาอนาปาสติอะไรอันนี้มันก็ยุบเองเหมือนกันใช่ไหมทุนนิทุ่มทาให้มันยุบไม่ได้เลยนะทุนนิต้องหมดตรงทุกห้องไม่ไม่ต้องสงสัยในกรรมฐานทั้งหลาย มา่ราตอนยุให้ดูทนใงมันยุบองเราดูตรงนี้รองเข้าไปกองเวมันดูนี่ก็ได้ร่องออกมันยุคเอเดียวกัน d o a t t e r w t h u p i c on y o name or your n e r e v e n Your, your at your nose, your stomach still rising and falling. Amen. <laughs> <laughs> me. And I'm watching the me. rising and falling. You're still inhaling and exhaling. e in d o i n o t h e r preference w h i c h you like? w h i c h you feel most suitable? Mm. Your navel, your nose. Mm. My nose is a bit l o c k e d My nose is small. My nose is bigger. Mm. ก็เห็นว mm. eh so, ่าเสด็เดอมันมันเห็นง่ายกว่าจมูกมันมันงอข้าวออกก็กวิสะดวกมากเท่าไหร่เลยเห็นง่ายกว่าเกาตรงนี้ก็ได no. ้ไม่เป็นอะไรมันก็เป็นอนาปางกท่านั้นเจดีย์ขอาถูกตรงนี้เก่าตรงนี้บางคนก็ว่าตรงนี้ถูก บางคนว่าตรงนี้ผิดบางทีว่าตรงนี้มันผิดตรงนี้มันถูกไปแย่งกันเปล่ามันนเดียวกันไงยุบไปฟองนิดหนึ่งคนถือๆมันยุบอย่าหนึ่งง่ายใจเขากฟองเกิดเขา้นยุบ ก็ก็จิตเราคิดอย่างนี้ว่า น, นี่แม่น้ำม า, าสมุทรนะน้ามหาสมุทรนี้มันมาจากแม่น้ํานน้อยอดึงเล็กมันไหลมาคนอทิตเดียทางเดียมันมารวมมหาสมุทรตรง น, น, นี้เราทําสรมฐานเหมือนกันทําจิตให้สงบเอานี้เอานี้เหมือนกัน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 ใครเห็นนี่มันง่ายกว่ากับเราไม่ได้เห็นนี่มันง่ายกว่ากับเราไม่ได้มันถูกเจดิตของเราแต่ ทำเฉยๆนี่อย่างคนเกิดมามีชีวิตเป็นอยู่แด็ก็มันเกี่ยวกับการของชีพของคนเราชอบอะไรมไหมเราชอบทํางานเป็นอาชีพหรือเราชอบทํานาหรือชอบทําสวนแล้วแต่เราจจดีของเราจะชอบอะไรทําไปเพื่อได้อาหารมากินให้มันอิ่มท้องเลียนชีวิตไปเหมือนกัน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 การทำกรรมฐานหลายหลายอย่างอะไรมันถูกจจดตของเราเชินดมหังใจให้ดูดีมัธ น, นัดดีสงบดีมันไงเอานี้ก็ได้อันนี้แล้วมันไม่สงบบางทีเราเอายุบหนอของหนอนี้ก็ได้ในจิตมันต้องสู่ความสงบแ้วก็พอ ไม่ไหม น่วบางทีก็ไฟไม่หายใจลังกาใช่ไหมก็ไฟไม่อาการนม่หาย